พระอนุบัญญัติอนึง่งภิกษุใดไม่รับนิมนต์ไว้ก่อนรับของเคี้ยรือของฉันในตระกูลที่ได้รับสมมุติเป็นเสขาเช่นนั้นด้วยมือของตนแล้วเคี้วหรือฉันภิกษุนั้นพึงแสดงคืนว่าท่านทั้งหลายกระผมต้องทําคือปาทิเทศนญญาเป็นธรรมที่น่าตําหนิไม่เป็นสัปปายะกระผมขอแสดงคืนธรรมนั้นสิกขาบทนี้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้เรื่องภิกษุหลายรูปจบ